เรื่องเทพบอกใส่บาตรเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นออกเดินทางจากวัดป่าบ้านห้วยแคนสู่วัดป่าบ้านหนองผือเริ่มออกเดินทางเดือนสี่แรมค่ำหนึ่งวันแรกพักวัดบ้านนากับแก้วันที่สองพักวัดบ้านโพนนาค่างปลาสองคืนแรกเดินทางปกติ ไม่มีเหตุการณ์วันที่สามพักศาลากลางบ้านของกรมทางหลวงศาลานี้ตั้งอยู่บ้านลาดกระเชอร์ตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกล น, นครขณะนั้นยังไม่เป็นหมู่บ้านเป็นปางเลี้ยงวัวเลี้ยงควายของชาวสกล น, นครทำเลเหมาะแก่การพักของคนเดินทางมีบ่อ น, น้ำให้ดื่มให้ใช้ท่านพระอาจารย์มั่นไปถึงก็แวะพัก ขณะไปถึงนั้นเป็นเวลาประมาณ13นาฬิกามีพระและผ้าขาวติดตามเจ้าบ้านหนองผืออีกส2สองคนรวมทั้งท่านเป็น21ดคนพระช่วยกันปัดกวาดญาติโยมนำน้ำมาไว้ดื่มไว้ใช้ปูที่พักถวายท่านเสร็จหนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านพระอาจารย์ก็นั่งเฉยเอนนอนเฉยอยู่ชาวบ้านหนองผือผู้เป็นหัวหน้าไปรับ เป็นคนใจร้อนคิดว่าถ้าท่านพระอาจารย์พักอยู่นี้จะฉันอะไรคนตั้งมากมายจึงเข้าไปกราบนมัสการขอนิมนเดินทางต่อไปพักบ้านโพนงามระยะทางประมาณเจกิโลจะได้ทันเวลาท่านบอกว่าเราไม่ไปเขาเป็นชาวบ้านป่าชาวเขาเราพักอยู่นี้เขาจะได้กินได้ทานหากท่านพระอาจารย์ว่าไม่ แล้วอย่าได้พูดซ้ำอีกตอนเย็นชาวบ้านก็นําอาหารมาเลี้ยงแขกโยมพอเช้าได้เวลาท่านพระอาจารย์และพระสงฆ์เที่ยวบินธบาตมีคนนําไปเพราะเป็นปางขวายปางวัวบ้านแต่ละหลังมีทางลัดแคบแคบพอสมควรแล้วคนก็นํากลับขณะกําลังถวายน้ําล้างเท้าท่านพระอาจารย์ก็ได้ยินเสียงรถยนต์กําลังตรงเข้ามา ท่านและคณะกำลังนั่งจัดบาทชาวลาดกะเชอรดูจะเป็นผู้ชายมากกว่าเพราะไปรักษาสัตว์ไม่ใช่ไปตั้งบ้านเรือนก็มาถึงประมาณห้าถึงหกครอบครัวท่านแขวงกรมทางหลวงขึ้นมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์ว่าพวกกระผมชวนกันมากินข้าวป่าเป็นบุญของพวกกระผมที่ได้มาพบท่านพระอาจารย์เขาไม่รู้หรอกว่า นั่นคือพระอาจารย์มั่นแต่เขาเป็นผู้ดีไทยปราบเรียนว่าพระคุณท่านไม่ต้องหนักใจว่ามาพักที่กระผมมารบกวนพวกกระผมเป็นบุญของพวกกระผมแท้ๆแล้วสั่งลูกน้องเอาหม้อข้าวหม้อแกงปิ่นโตนําถวายท่านพระอาจารย์ร่วมกับชาวบ้านชาวสกล น, นครเขาเป็นคนมีมารยาทอ่อนน้อมน่ารัก และพูดจา ก, ก็เหมือนผู้ดียฐถาสัพีฉันเสร็จแล้วท่านแขวงขึ้นไปกราบนมาส ก, การพร้อมคณะว่าความจริงพวกกระผมไม่ได้ตั้งใจมากูดีผู้ช่วยไปยืนบอกหน้าบันไดตอนมืดแล้วจำได้จะเสียงว่ารุ่งนี้เราไปกินข้าวป่าที่ลาดกระเชอกันผมนัดชาวปางเข้าไว้แล้วก็เลยตกลงฝ่ายผู้ช่วยก็บอกว่า ท่านแขวงให้เด็กไปบอกว่าพรุ่งนี้เราไปกินข้าวป่าที่ลาดกระเชอกันผมเลยให้แม่บ้านจัดอาหารแต่เช้าเสียงเอตเตโรทั้งพ่อบ้านแม่บ้านว่าคนนั้นไปบอกคนนี้ไปบอกจัดกันไปหมดไม่ได้ขึ้นไปบอกข้างบนได้ยินแต่เสียงอยู่ข้างล่างว่าเป็นเสียงคนนั้นคนนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วต่างคนปฏิเสธลั่นว่าผมไม่ได้ไปบอกดิฉันไม่ได้ไปบอก เลยงงไปตามๆกันท่านแขวงก็เลยพูดว่าถ้าอย่างนั้นใครไปบอกแล้วมองไปที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์มั่นตอบว่าถ้าไม่มีใครไปบอกก็คงเป็นเทพนั่นสิเท่านี้เรื่องก็เป็นอันยุติเลี้ยงอาหารกันต่อทั้งคณะแขวงการทางคณะท่านพระอาจารย์และชาวบ้านทั้งหมด รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญท่านแขวงบนเสียดายไม่มีถนนไปโพนงามถ้าไปสะกลหรือสร้างคอท่านจะนำส่งตลอดจากนั้นต่างอำลาแล้วก็เดินทางต่อคืนที่สี่นอนพักบ้านวัดบ้านกุดน้ำใสตำบล น, นาในฉันเช้าเสร็จเดินทางต่อถึงบ้านหนองผือ ก่อนท่านพระอาจารย์จะไปถึงพระอาจารย์หลุยจันทสาโรสั่งพระเนนแม้ทั้งหมาและแมวให้หนีออกจากวัดว่างไปประมาณสองวันแต่วัตถุใช้สอยครบและหาง่ายที่พักของท่านเป็นกระท่อมเล็กๆไม่สะดวกท่านพระอาจารย์มั่นอยู่กระท่อมเล็กๆจำพาะ อ, องค์ได้ซีเมื่อไหร่ไหนจะพระอุปถากไหนจะญาติโยมจะไปนั่งเบียดท่านหรือ ยาคาไม่ไผ่ไม่ทุบเปลือกไม่อดช่วยกันทำแค่สิบวันได้ถึงห้าห้องยังดูท่านลำบากตลอดพรรษาพระใกล้ชิดและพระขาวช่วยกันต่อห้องถวายพอพระอุปถาคนั่งได้พอออกพรรษาท่านเลยไปพักอยู่มุมศาลาช่วยกันทำผ้ากัน้นแต่ก็ลำบากเพราะต้องใช้เป็นที่ชันด้วยทำสังฆกรรมด้วย ดีหน่อยตรงที่เวลามีกิจกรรมได้ที่พอเท่านั้น